อย่าโยมทั้งหลายตั้งใจที่จะทําความสงบกันต่อไปเพื่อให้เป็นปฏิบัติบูบชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเบื้องต้นนี้จะมาจะนำให้ว่าตามทุกคนข้าพระเจ้าแลลึกถึง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 พุโทโธธรมโมสังโฆพุโทโธธรมโมสังโฆพุโทโธธรรมโมสังโฆพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธนึกไว้ในใจนั่งขัดสมาดขาขวาทับขาซ้ า, ายมือขวา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 ที่เราอยู่โดยปกติถ้าเราอยู่โดยปกติที่ไม่เป็นสมาธินั้นมันมีจิตว่างมีจิตลกลงลังหรือคิดนู่นคิดนี่มีความาพุ่งสร้างต่างๆอนั่นคือตามปกติของจิตใจแต่พอเวลาเป็นสมาธิจิตนี้จะ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 คือวิตกวิจารปิติสุขเกกคตาวิตกวิจารนั้นได้แก่การนึกพุโทโธพุธโทโธเรียกว่าวิตกวิจารพอปิติเมื่อนึกพุโทโธแล้วจิตก็อยู่ที่พุโทโธปิติคือความขนพองสยองกล้าวรูสึกมันหวิ่งวิวอะไรอย่างนี้เรียกว่าปิติ วิตกวิจารปิติสุขก็คือความสบายเอกคตานั้นคือความเป็นหนึ่งนี่เรียกว่าปฐมฌานพุตติฌานนั้นก็มีอยู่องค์สามวิตกวิจารตัดออกไปการนึกพุโทโธนั้นไม่ต้องนึกแล้วเหลือแต่ปิติสุขเอกคตาเหลือแต่ความ เอบอิ่มและความสบายและความเป็นหนึ่งตติยะฌานนั้นได้เหลืออยู่องค์สองตัดวิตกวิจาร์ออกไปตัดปีติออกไปเหลือแต่สุขกับเอกคตา ม, มีแต่ความสบายและความเป็นหนึ่งจะตุทะฌานที่สี่สุดท้ายนั้น ก็มีองค์สองเช่นเดียวกันคือมีแต่อุเบขาและเอกภพตาเรียกว่าวิตกวิจารตัดออกไปความเอิบอิ่มตัดออกไปความสุขความสบายก็ตัดออกไปเหลือแต่ความวางเฉยก็ความเป็นหนึ่งฌานทั้งสี่นี้เรีย ก, กว่ารูปฌปาน เมื่อรูปฌปานนี้ได้รับการพัฒนาหรือทำให้ยิ่งรูปฌปานนั้นจะกลับกลายเป็นอรูปฌปานคือจิตจะละเอียดลงไปจิตละเอียดลงไปนั้นก็กลับกลายเป็นอากาศว่างเปล่าไม่มีอะไรเรียกว่าอากาสารนใจ ย, ยตนาฌานเมื่อจิตนี้ได้รับการฝึกฝน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 ในที่สุดถึงที่สุดชันของอารูปประชานสีนั้นคือจะว่าสัญญาก็ไม่ใช่ไม่ใช่สัญญาก็ไม่ใช่เรียกว่าไม่มีอะไรเอาเลยนั่นเรียกว่าเนวะสัญญานาสัญญายตนะชานทั้งหมดนี้เรียกว่ารูปประชานและอรูปประชานชานทั้งหมดนี้นั้น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 ไม่ใช่เกิดขึ้นได้ทั้งหมดได้ง่ายง่ายผู้ที่บำเพ็ญฌานที่เป็นรูปฌานและอรูปฌานนั้นต้องใช้เวลาอันยาวนานบางทีหมดชีวิตก็ไม่ได้บางทีพวกฤาษีไปอยู่ในป่าคนเดียวบำเพ็ญฌานก็ยังไม่ค่อยจะสำเร็จถึงขั้นนี้ฌานพวกนี้ถ้าทำสำเร็จขึ้นมาแล้ว สามารถแสดงฤทธิ์ได้เหาะเหินเดินอากาศได้มองดูจิตใจของคนได้และลึกชาติหนหลังได้อย่างนี้ถือว่าได้สำเร็จฌานแต่ฌานเหล่านี้นั่นไม่สามารถที่จะกำจัดกิเลสได้กิเลสก็ยังอยู่เพราะว่าไม่ใช่วิปัสสนา เป็นแต่เพียงสมถกรรมฐานสมถะนั้นถ้าเราบำเพ็ญฌานไปสมโดยสม่ำเสมออานิสงส์แห่งฌานก็ทำให้ไปบังเกิดเพียงแค่ชั้นพรมชั้นพรมนั้นอายุยาวนานกว่าชั้นสวรรค์ถึงยี่สิบเท่าเมื่อไปอยู่ที่นั่นแล้วก็ลืมมีความสบายจนลืม แต่ที่สุดถึงที่สุดก็ต้องกลับมาในมนุษยโลกอีกนั่นคือเรียกว่ายังเวียนว่ายตายเกิดผู้ที่ไม่ต้องการที่จะเวียนว่ายตายเกิดอีกหมายความว่าเมื่อบำเพ็ญฌานได้แล้วเขาก็ยกอรูปฌานออกเสียเอาแค่รูปฌานสี่คือปฐมฌาน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 ศาสนาอื่นไม่มีเพราะฉะนั้นในศาสนาทุกศาสนาจึงไม่มีวิปัสสนามีเฉพาะในพระพุทธศาสนาเพราะทุกคนนั้นปรารถนาแค่เพียงสวรรค์ปรารถนาแค่เพียงความสุขในเมืองมนุษย์แต่ว่าการที่สําเร็จฌานเหล่านั้นบางทีก็เกิดความเสื่อม เมื่อเกิดความเสื่อมแล้วก็ไปทำความชั่วสามารถไปตกนรกได้สามารถไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานได้เพราะว่ายังไม่ใช่นิยตตบุคคลเป็นอนิยตตบุคคลดังนั้นการเวียนว่ายตายเกิดหรือว่าการแปลเปลี่ยนย่อมมีแก่ผู้บำเพ็ญฌานแต่ว่าถ้าผู้ใดหันเข้ามาสู่วิปัสสนานั้น วิปัสนาเป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะทำคนให้พ้นทุกข์คือพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายนี้ได้ดังนั้นในวิปัสนาพระพุทธองค์จึงทรงตรัสให้เกิดเป็นไตรลักษณ์ไตรลักษณ์นั้นคืออนิจจังทุกขัง อ, น, อนัตตาอนิจจังคือความไม่เที่ยงทุกขังคือความเป็นทุกข อนัตตาคือความไม่ใช่ตัวตนอย่างนี้ทั้งสามประการนี้ถ้าพิจารณาได้ก็ถือว่าเราได้เริ่มวิปัสสนาแล้วพระพุทธองค์ได้ทรงตรัสว่าสเพสังขารอานิจจติสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงยดาปัญญายปัสติเมื่อใดผู้บุคคลผู้ใดทำให้เกิด ปรากฏขึ้นแล้วอัธานิบินติดุกเขจากนั้นผู้นั้นจะเกิดความเบื่อหน่ายเอสะมัคโควิสุทธิยานี่คือหนทางไปสู่พระนิพพานสเพสังขารอาอนิจจติสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เทียงยาดาปัญญายปัสติเมื่อใดผู้ใดทำให้ปรากฏอัธานิบินติดุกเข เมื่อนั้นบุคคลผู้นั้นจะเกิดความเบื่อหน่ายเอสามะโควิสุทธิยานี่คือหนทางพระนิพพานสเพธธรรมาอนัตตาติทำทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนยาดาปัญญายะปสติบุคคลผู้ใดทำให้ปรากฏขึ้นแล้วอัฏฐานิบินติดุกเฆบุคคลผู้นั้นย่อมจะบังเกิดความเบื่อหน่าย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 ไม่ใช่ว่าจะให้พิจารณาไปตลอดก็เหมือนกันกับเรือใบที่แล่นไปในทะเลนั้นต้องไม่แล่นไปตลอดเมื่อเจอลมสลาตันหรือลมใหญ่ต้องลดใบทันทีมิฉะนั้นเรือจะคว่ำถ้าหากว่าเมื่อเวลาจอดไม่ทอดสมอถูกคลื่นตีมาเรือก็คว่ำเพราะฉะนั้น จะจึงเปรียบเหมือนกันกันกบผู้บําเพ็ญวิปั ส, สนาผู้ที่จะบําเพ็ญวิปัสสนานั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาแล้วและกลับคืนมาหาความสงบเมื่อจิตสงบแล้วก็ยกออกไปพิจารณาสักครู่หนึ่งแล้วก็ย้อนกลับคืนมาทําความสงบใหม่ไม่ให้พิจารณาไปตลอดเวลานั่งสมาธิ เมื่อพิจารณาเช่นพิจารณาถึงความไม่เที่ยงร่างกายของคนเหล่านี้เกิดมาก็หนุ่มสาวเกิดมาแล้วทีนี้ก็แก่ไปเมื่อแก่ไปแล้วเนื้อก็เหี่ยวหนังก็ยานในที่สุดก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บป่วยขึ้นนี่เขาเรีย ก, กว่าเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงต่อจากนั้นก็สิ้นลมหายใจ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 แล้วก็มีโรคภัยเบียดเบียนแล้วก็ตายไปการพิจารณาอย่างนี้เรียกว่าวิปัสสนาแต่ต้องพิจารณาเพียงชั่วริยะเหมือนกันกับเรือในแล่นไปในมหาสมุทรเรือใบเมื่อถึงเวลาลมแรงก็ลดใบลงถึงเวลาอันสมควรก็ทอดสมออย่างนี้เป็นต้นเมื่อพิจารณาอย่างนี้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 อนัตตาคือความไม่ใช่ตัวตนนั้นเราต้องพิจารณาว่า อ, อันร่างกายของเรนี้มันเป็นเพียงธาตุทั้งสี่ดินน้นไฟลมเท่านั้นส่วนที่เป็ น, ส, น, ปนส่วนที่เป็นลักษณะแข็งก็เรีย ก, กว่าดินส่วนที่เป็นลักษณะอ่อนเหลวก็เรีย ก, กว่านา้ำส่วนที่พัดไปพัดมาก็เรีย ก, กว่าลม ส่วนที่ทำร่างกายให้อบอุ่นก็เรียกว่าไฟมันเป็นธาตุทั้งสี่จึงไม่ใช่ตัวตนแต่อย่างใดทั้งสามประการนี้มันเป็นเรื่องของการทวนกระแสจิตคนเรานั้นรักสวยรักงามคนเรานั้นไม่อยากพูดถึงกองทุกข์คนเรานั้นถือว่าเป็นตัวเป็นตนจริงๆไม่ใช่ว่าไม่ใช่ตัวตน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 พังขยานเป็นต้นยานนั้นได้แก่ความอย่างรู้หรือสิ่งที่พอเพียงแห่งความต้องการแล้วเกิดขึ้นเรีย ก, กว่ายานในการที่พิจารณาให้เกิดความเบื่อหน่ายขึ้นนั้นความเบื่อหน่ายก็เรีย ก, กว่านิพพทาญาณถ้าญาณใดเกิดขึ้นเหมือนกันกับนกกาถา ที่อยู่ในกรงพยายามที่พยายามอยากจะเจาะลูกลงรงเนียกว่าสักกรงอยู่เรื่อยนั่นเขาเรียกว่ามุนจิตุกามายตายานหรือวิปัสสนาญาณหนึ่งที่เกิดขึ้นนั้นเห็นความเสื่อมสลายหมดเกลี้ยงไม่มีอะไรเหลืออย่างนี้เรียกว่าพังขยานถ้าเราทําได้อย่างนี้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 ถ้าขั้นสำเร็จนั้นจะต้องบำเพ็ญวิปัสนาไปอีกให้เกิดนิพพยานนั้นนักครั้งไม่ท่วนเมื่อบำบาเพ็ญจิตให้เกิดความเบื่อหน่ายหรือเกิดความที่มีจิตคิดอยากออกเหมือนนกกระทาที่สับกรงอยู่หรือเหมือนกันกับมองเห็นหมดสิ้นทุกอย่างอย่างนี้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 ก็จะได้ไปพบความรู้อันหนึ่งความรู้อันหนึ่งนั้นเป็นความรู้ที่เรียกว่าทวนกระแสจิตผู้ที่มองเห็นความทุกข์คือร่างกายอันนี้ต้องแตกสลายไปตัวผู้เห็นย่อมจะต้องมีการแตกสลายการมองเห็นนั้นก็เหมือนกับไฟฉายเมื่อเราฉายแสงออกไป ที่สำคัญที่สุดคือตัวไฟฉายตัวไฟฉายนั้นจึงจะตัวไฟฉายนั้นจึงจะถือว่าเป็นตัวต้นตระกูลหรือเรียวกว่าเป็นตัวต้นทางถ้ามีไฟฉายอยู่แล้วจะส่องแสงสว่างเมื่อไรก็ได้หรือเมื่อเราที่จะมองพิจารณาเห็นร่างกายทุกส่วน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 สิ่งที่จะปรากฏถึงเจประการนั้นคือวิสุทธิเจประการวิสุทธิเจประการนั้นนับมาตั้งแต่หนึ่งจิตตาวิสุทธิศีลวิสุทธิกังขาวิตรณวิสุทธิญาณวิสุทธิญาณนะัทสนวิสุทธิปฏิปทาญาทัทสนวิสุทธิทั้งเจประการนี้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 สินนั้นจะเกิดขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปรับเอากับใครจะเกิดวิรัตขึ้นมาในจิตหรือเรี ย, วยวกว่าสำเร็จขึ้นมาในจิตของบุคคลผู้นั้นเช่นจะไปฆ่าสัตว์ก็ฆ่าไม่ได้เพราะว่าจิตมันถึงแล้วสินนั้นมันบริสุทธิ์ด้วยั้นด้วยมสามารถแห่งสมาธิแล้วคือใครจะบังคับให้ฆ่านั้นฆ่าไม่ได้แน่ นี่เป็นความบริสุทธิ์ของสินเกิดขึ้นมาเองหรือใครจะไปบังคับให้ขมโมยอย่างนี้จะไปบังคับหรือจะไปฆ่าเอาชีวิตแล้วให้ไปขมโมยก็ทำไม่ได้หรือการที่จะไปประพฤติผิดการเมสุมิจฉาจารผิดประเวณีจะไปบังคับให้ทำย่อมไม่ได้มันเกิดขึ้นมาในสินในตัวเองอย่างนี้หรือ การที่จะให้ไปโกหกหลอกลวงใครอย่างนี้ก็โกหกไม่ได้หรือจะไปบังคับให้ดื่มกินซึ่งสุราเมรัยยาเสพติดอย่างนี้ก็คิดไม่ได้เพราะว่าความบริสุทธินั้นเกิดขึ้นมาจากวิปัสสนาแล้วเพราะมองเห็นอมองเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นทำไม่ได้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 คือไม่มีความสงสัยและไม่ได้คิดคิดสงสัยเลยเพราะจะไปสงสัยไม่ได้ในเมื่อเขามองเห็นซึ่งสัจธรรมมังเกิดนิพพิทยานความเบื่อหน่ายขึ้นมาแล้วเห็นจริงแจ้งประจับเพราะฉะนั้นความสงสัยจึงตัดไปได้เลยจึงเรียกว่ากังขาวิตระ น, นะวิสุทธิญาณญาณวิสุทธิคือความอย่างรู้ ความอย่างรู้นั่นคือนิพิทัยานที่เกิดขึ้นอนิพิทยานที่เกิดขึ้น น, น, น, นั่นแหละคือความอย่างรู้คือตัวญาณเรียกว่ายานะวิสุทธิไม่ใช่ไปคิดเบื่อเอาหรือไม่ใช่ไปคิดเดาเอาว่าฉันจะเบื่อไหนหรือไปคิดเดาเอาว่าโอ้โหฉันนี่เป็นทุกข์ไม่อยากจะอยากออกอะไรแล้ว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 นอกจากรู้แล้วก็เห็นด้วยหลับตาลงไปเห็นสัจธรรมไปเลยใ น, ในที่สุดท้ายคือปฏิปทาญาณนะผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ทมด้วยรู้ด้วยเห็นด้วยทั้งสามประการเกิดขึ้นพร้อมกันอย่างนี้เรียกว่าวิสุทธิเจ็ดประการอันเป็นสัญญารักษณ์แสดงให้เห็นถึงผู้นั้น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 พุทธชนคือองค์แห่งการตัดสู้นั้นนับไปตั้งแต่พุทธชงคือสติโพชทธชนสติโพชทธชนปิติโพุทธชนปัตสุธพุทธชนวิรยิยะโพุทธชนไปจนกระทั่งถึงอุเบกขาโพุทธชนพุทธชนคือองค์แห่งการตัดสู้นั้นต้องมีสติ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 องค์แห่งการตัดสู้นั้นคือการขาววิตโตปหุรีกตโตสติสัมพชังโตยติสังฆโตธรรมานังวิจโยตถาวิรยิยมปีติปัสสติผู้จังคาจะต ถ, ถาเะเรสมาทุเปกผู้จังคาสัตเตเตสปรดเชนนามุนีนาสมรัขฆาตาภาวิตาปุหุรีกตาที่พระท่านส ว, วดโคชชงนั่นแหละนั่นแหละคือองค์แห่งการตัดสู้เรียกว่า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 สิ่งหลอกหลอนเหล่านี้มาหลอกหลอนไม่ได้เพราะว่าเป็นอุเบกขาพอดชงเสีแล้วเพราะฉะนั้นในการปฏิบัตินั้นย่อมจะมีหนทางที่ทำให้เรารู้ที่แสดงงานนี้เป็นเป็นคําสั่งสอนของพระพุทธศาสนาเรียกว่าปรมตทธรรมปรมตทธรรมที่แสดงมาวันนี้นั้นเป็นธรรมะชั้นสูง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 เรียกว่าปิดอบายยาพูได้โดยสิ้นเชิงการปิดอบายยาพูอบายยาพูก็คือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานสี่ประการนั้นเรียกว่าอบายยาพูผู้ที่บําเพ็ญวิปัสสนาเข้าขัน้นเข้าขั้นแห่งปรมัตย์นั้นย่อมปิดอบายยาพูทั้งสีนี้ได้ต่อไปก็นั่งสมาธิกันอีก สักพักต่อไป